ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าว ที่สถานี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันพิมลพันธ์อาภเวทนะคะทุกคืนวันถึง 20:00 น. ค่ะ 28 พฤศจิกายนนะคะพื้นที่ อีกหลายๆพื้นที่เช่นกันค่ะที่ 2 เป็น IMC Corner นะคะและ สารอาหารที่ช่วยให้ระบบภูมิช่วงแวด เริ่มกันที่มทร ในทุกปีนั้นสถาบันอุดมศึกษาราชมงคลและมหาวิทยาลัยเอกชนร่วมกันเบญจภาพค่ะหรือกราดรีเสิร์ชนะคะ ส่งเสริมสนับสนุนและประสาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระ 23 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 ธันวาคมนี้ได้รับการสนับสนุน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์จึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะ และงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ๆค่ะถัดไปนะคะก็เป็นข่าว อ่าถือว่าเป็นนวัตกรรมอำนวยความสะดวก 2 ข้างต้อง ผู้พิการประเทศนี้ในประเทศไทยมีจํานวนมาก จับความเอียงของมุมที่เรียกอง 10 องศารถเข็นก็จะเดินหน้าเงย 2 ตําแหน่ง รถจะมีเซ็นเซอร์ 1 เมตรรถจะหยุดการทํางานอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือค่ะ ไป เป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาบัณฑิตแข่งขันตลาดแรงงานระดับอาเซียน 2555 นี้ มทร. พระนครก็มี 2558 นะคะ โลกได้ค่ะด้วยการ เพื่อเซ็น Lander University และ Oklahoma State University นะคะซึ่งจากการศึกษาดูครั้ง Twinning Program 2+2 นะคะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีภาค เขียนอาจารย์ผู้สอนโครงการอบรม OSU มาเป็นอาจารย์พิเศษช่วย 2 ของราย me for the time I said the cost of her name six digit number and her date with me tomorrow at night Did she decline? No Didn't she mind? I don't think so Or Was it for real? Damn sure Or What was the deal? A pretty girl 24 and So was she king? She couldn't wait Cinnamon queen girl, Let me update Or What did she say? She said you love to A rendezvous She asked me what we were gonna do some we'll start with the bottle I'm away for two months. Tuesday. We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday Not once time Cause I'd getting mine And she was looking fine Some talkers told me She loved to and unfold me all night long Ooh, I love the way she kicked it From the front to the back flip The way she kicked I, oh Yeah, hope that you care Cause I'm a man I'll always be there I'm not a man To play around baby Cause the one night stand is really fair From the first impression going, You don't seem to be like that Cause there's no need to check For there'll be plenty time for that From the subway To my home Airlines ringing Off my phone When you're feeling All alone All you gotta do Is just call me Call me Call me and mm -hmm. กันไป 2 ของกับ IMC Corner ค่ะเป็นความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดนะคะความรู้ IMC Corner สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเครื่องมือสื่อสาร โดยทั่วไปๆได้เป็น 2 ประเภทคืองานประเภท งานแสดงสินค้าทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นสิ่งนั้นจะมี งานแสดงสินค้าประเภทเกรดโชว์จะมีขนาดของงานค่อนข้างใหญ่จำนวนสินค้าที่นำมาแสดงก็มีเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นงาน Motor Show งาน Expo ค่ะ ซึ่งทั้ง 2 งานนี้นับว่าเป็นงานแสดงสินค้าประเภทรถและๆที่มา Dongni Expo งาน Bangkok Game Show งาน Thailand SME Expo งาน Thailand International Furniture Fair เป็นต้นซึ่งงาน เช่น Impact เมืองทองทานีทองธานีศูนย์แสดงสินค้าและการๆเช่นตามห้าง สินค้าที่นําไปแสดงเมื่อเปรียบๆซึ่งเป้าหมายของงาน ใกล้ชิดขนาดเดียวกันพนักงานขาย อย่างไรก็ตามก็ทั้งงานปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งงานเทรดโชว์และรถโชว์นอกจากจะเป็นเครื่อง โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร 02 282 9009-15 ต่อ 6831-4 หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วง เข้าสู่ข่าวรับสมัครงานแล้วก็ใน 5 ธันวาคมที่จะถึง ต่อเนื่อง 60 ปีนะคะทางมหาวิทยาลัย 2555 ค่ะเป็นทุน 84 พระ 3 มหาราชาเพื่อมอบๆทั่ว โดยคุณสมบัติมีระดับผลการเรียนสะสมไม่ตามกว่า 3.50 ตลอด 5 การศึกษาทั้ง หรือใบแสดงผลการ www.au.edu ตั้ง 31 มกราคมค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะวันอาหารที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของมาฝากกันนะคะกับคุณฝั่งค่ะก็หลายท่านอาจจะผ่านพ้นช่วงของน้ําท่วมเข้าสู่ภาวะๆนะคะลม ร่างกายของเรานี่เองจึงอาจจะกันให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายที่มากับสภาพอากาศ พวกสาร B รวมค่ะค่ะเป็นสารอาหาร B6 ค่ะ มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาก B6 เด็กที่เกิดมาจะมีวิตามิน B6 พบมากในเนื้อสัตว์ ต่อ B1 B2 และ B5 ค่ะก็ อยู่ Antibody และทีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้า B ออกไปจากร่าง วิตามิน B1 นั้นข้าวซ้อมมือพบถั่วงาตับส่วน B2 พบในนมในนมไข่เนื้อตับผักใบโยเกิร์ตนมและ B5 พบในถั่วลิสงงาอะโวคาโดแอปเปิ้ลแล้วก็ A กันบ้างค่ะบ้างค่ะก็ ซึ่งเป็น ให้ยังคงทํางานแข็งแรงสม่ําเสมอนะคะหลักใหญ่ๆนั้นจะทําให้ผนังเซลล์แข็งแรงมีความคงทนต่อการโจมตีของเชื้อไวรัสมากขึ้นจึงเป็นสารโดยวิตามินเอหา ไข่แดงนมเนยปลาแมคเคเรลต่อมาค่ะเป็นวิตามิน C หรือ C นี้นะคะก็ถือ ไปก็จะทําให้คนนั้นเป็นหวัดได้ง่ายติดเชื้อบ่อยแล้วก็อ่อน ภูมิคุ้มกันทุกชนิดในร่างกายให้สูงขึ้นและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นเกลือแร่ต่างๆตัว ร่างกายขาดแมกนีเซียมจะทําให้ระดับฮิสตามีนเพิ่มสูง โดยธาตุเหล็กมีความสําคัญต่อการผลิตๆค่ะ ต่อมานะคะซิเลเนียมเป็นกรดแร่อีกตัวนึงที่อยู่ในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่ละไม 50 ไมโครกรัมแต่ถ้าขาดไปก็จะทําให้เสี่ยงต่อโรคที่ มาถึงตัวสุดท้าย 200 ชนิดโดยผู้ที่ขาดสังกะสีก็มามา 100 มิลลิกรัมก็จะ และความรู้สึกการรับ ฟังค่ะเวลาในรายการรอบ 19:30 น. ถึง 20:00 น. น, น, น, น, น, น. 20. น. ทาง FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะ มีความสุขกับนิทานอีสบวันนี้เสนอตอนงูกับกามีกาตัวนึงออกหาอาหารกา วนเนี่ยน่ะค่ะได้กินงูแล้วเมื่อมันคิดเช่นนั้นแต่เมื่อมันลงไปถึงพื้นดินแทนที่งูจะถูกจิกเจ้าๆ แต่กลับต้องเสียชีวิต